พัฒนาเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดท่านกองเพลนจังหวัดหนองบัวลงพูเรื่องกรรมกับจิต อย่าให้มีความประมาทจงพากันสร้างคุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลของครวะพวกครวะก็ดีให้ถือศีลห้าศีลแปดวันเจ็ดค่ำแดค่ำส4สี่ค่ำสบห้าค่ำเดือนหนึ่งมีสี่หนอนอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจเรื่องเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเรา การรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเราควรใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าร่างกายให้มันเห็นว่าความจริงของมันตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในทุกขังตกอยู่ในอนิจจังตกอยู่ในอนัตตามีความเกิดอยู่ในเบื้องต้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดอย่างนี้แหละอย่าให้เรานอนใจ สร้างแต่คุณงามความดีอย่าไปสร้างบาปอากุศลอย่าไปก่อกรรมก่อเวรใส่ตนผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เราคุณงามความดีเราสร้างของเราเองตนสร้างใส่ตนเองผู้อื่นบ่ได้ทำดอกเมื่อเราเป็นบาปก็เราเป็นผู้สร้างบาปใส่เราเองความดีก็แม่นเราใส่เราเองจึงได้เรียกกุศลกรรม กุศลกรรมสัตว์ทั้งหลายจะดีหรือจะร้ายก็ดีจะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์หรือยากจนค้นแค้นก็ดีเป็นเพราะกรรมดอกพระพุทธเจ้าว่านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรมสัตว์มีกรรมของตนเป็นเพราะกรรมดอกกรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ได้ดีได้ชั่วต่างๆกันขันเป็นผู้ทำกรรมดีมันก็ได้ความสุข ไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะได้ความสุขผู้ทำความชั่วมันก็มีความทุกข์มีอบายเป็นที่ไปมีนรกเป็นที่ไปกรรมเป็นผู้จำแนกไปให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นคนยากจนค้นแค้นมันก็เพราะกรรมของเขาที่จะไปเกิดเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขเองอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจกให้ไป ไปเกิดในคนยากคนจนเหมือนกันนั่นแหละกับเข้าไปหาเจ้านายเราต้องระวังปานอย่างเข้าไปเราจะต้องทำอย่างใดจะทำท่าทางอย่างใดจะพูดอย่างไรผู้เข้ามาหาคนยากคนจนมันไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องมีท่ามีทางมันไปเกิดอยู่นั่นแหละเราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้วบุญมันบอดถึงเขา เราต้องทำเอาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เป็นเพราะปุเพจักตาปุญญาตาบุญหนหลังมาติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์คันเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็อัตตะสัมมาปนิทิให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทมสมาธิอย่าให้ขาด สินห้าให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สินแปดให้รักษาให้พากันภาวนาอยู่สมาธิมันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงดอกให้มันอยู่ในใจซื่อๆดอกการภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์ มาตกอยู่ในที่มั่งคัง่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรัพย์อันนี้ติดตามไปบ่มีศูนย์หายดอกตามไปจนสิ้นพบสิ้นชาติหรือจนเหนื่อยหน่ายต่อความชั่วเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีไม่อยากเกิดอีกภาวนาไปภาวนาไปก็จะไปสู่พระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็สบายเท่านั้นแหละ คนเรามันมักอยากมาเกิดอยู่เสมอให้พากันตั้งใจวันหนึ่งๆเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุโทโธเป็นอารมณ์ทีแรกว่าพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆ พุทโธธโมสังโฆสามหนแล้วจึงเอาแต่พุทโธอันเดียวทํางานอะไรอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าบอกทําได้ทุกอิริยาบถได้ทั้งสี่อิริยาบถยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้นอนไม่เป็นท่าดอกเอ็นลงไปเดี๋ยวก็เอาสักงีบเถอะเดินนั่นแหละดีนั่งกับยืนก็ได้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 กระดูกหัวก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกขาก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่นกระจายไปเท่านั้นแหละพวกเรามันกลัวตัหาหลายมันเชื่อตันหาหลายคนหนึ่งหนึ่งมันมีสองศาสนาศาสนาหนึ่งมันตันหาสั่งสอนศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้า เรามันยึดถือตัญหานี่ชอบกันนักหมอนี่มันก็บังคับเอาเราก็ยึดถือหมอนี่มันสอนให้เอามาให้ตีเอารักเอาฉกชิงวิ่งราวเอามันสอนอย่างนี้ตัญหาน่ะพระพุทธเจ้าว่าให้ทา ม, มาหากินโดยชอบทรรมให้เป็นศิลปเป็นธรรมอย่าเบียดเบียนกันมันไม่อยากฟังมันเกียด ตันหานี่มันกลัวพญามัจุราชพญามารก็ผู้ช่วยมันมันไม่อยากให้เราไปฟังอื่นให้ฟังมันมันผูกใจเราไว้คั้นจะไปดําเนินตามทางของพระพุทธเจ้ามันไม่พอใจพอจะรับสินรับทําไมมันว่าอย่าไปรับมันอย่าไปทํามันนี่มันก็ถูกใจมันเท่านั้นแหละมันสอนนะมันชอบอย่างนั้น ส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าคันอุตสาห์ทำไปปฏิบัติดีแล้วเราก็มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปทำความเพียรภาวนาหนักๆเข้าก็ได้บรรลุพานิพพานกำจัดทุกข์อันนี้มันไม่อยากไปไม่อยากฟังไม่เอาไม่ชอบเพราะฉะนั้นต้องระวังตัณหากิเลสที่มันชักจูงใจเราไม่ให้ทำความดี อย่าไปเชื่อมันพยายามฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าว่าให้เป็นผู้มีความหมั่นขยันในทางที่ชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม่นในหน้าที่ของตนเป็นความบริสุทธิ์ผู้ขยันหมั่นเพียร น, นั่นแหละจะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มิใช่ว่าจะรักษาศีลภาวนาแล้วเฮ็ดหยั่งบ่ได้ มันบ่อแม่นนั่นมันความเห็นผิดไปพระพุทธเจ้าว่าให้ขยันมันเพียนอะไรที่ชอบทําก็ทําได้กลางคืนจนแจ้งก็ทําไปกางวันก็ทําได้หมดตลอดวันทําไร่ทําสวนทํานาให้ทําสุจริตไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าให้หยุดไม่ให้เบียดเบียนกันให้ทําใจให้สะอาดวาจาให้สะอาด กายให้สะอาดอย่าให้สกปรกทำใจให้สะอาดคือให้มันภาวนาให้เอาพุโทโธนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทำไปทำไปใจมันจะสงบสะอาดและผุดผ่องมะนะสาเจประสันเนนะภาสติวากโรลติวาตะโตนังสุขะมะเนวติ คันผู้ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วสดใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำการทำงานอยู่ก็ตามความสุขนั้นก็ย่อมติดตามเขาไปมะสะเจปจุดเทณะพาสติวากโลติวาตะโตนังทุกคะมะเนวติจักกังวหะโตปะทัง ขันบุคคลมีใจขุ่นมัววุ่นวายมีใจเศร้าหมองใจมืดใจดำอมหิตแล้วแม้จะพูดอยู่ความทุกข์ย่อมครอบงำมันอยู่อย่างนั้นแม้จะทำอยู่ความทุกข์ก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนล้อที่ตามรอยเท้าโคไปความทุกข์ตามบุคคลไปอยู่อย่างนั้นคนไม่รักษาใจคนทำแต่ความชั่วก็มีแต่ความทุกข์นาไปอยู่อย่างนั้น พากันธรมภาวนาไปวันหนึ่งหนึ่งอย่าให้ขาดอย่าให้มันเสียเวลาไปภาวนาไปชั่วโมงหรือยี่สิบสนาทีอย่าให้มันขาดอาศัยอบรมจิตใจของตนทำมันไปขัดเกลาใจของตนใจมันมีโลภโทสะโมหะเข้าครอบคุมใจจึงเศร้าหมองธรรมชาติจิตเดิมแท้ น, นเป็นธรรมชาติผ่องใส ประัสสะมิตังพิกขเวจิตตังตันจโข อ, อคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกะกิริตทังธรรมชาติจิตเดิมเป็นของเรื่อมประภัดสอนเป็นของใสสะอาดแต่มันอาศัยอคันตุกะกิเลเข้าครอบงำย่ำยีทำให้จิตเศร้ามองขุนมัวไปเพราะฉะนั้นให้พากันทมอย่าประมาท อย่าให้มันเสียชาติอย่าให้มันโศกเศร้าเป็นทุกข์มนุษย์ัติราโพความได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐให้พากันทาอย่าให้มันเสียไปวันคืนเดือน ป, ปีร่วงไปร่วงไปอย่าให้มันร่วงไปเปล่าประโยชน์ภายนอกก็ทำประโยชน์ของตนนั่นแหละมันสำคัญพระพุทธเจ้าว่าให้ทำประโยชน์ของตนเสียก่อน แล้วจึงค่อยทำประโยชน์อื่น